นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทร์รัสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เดมก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m ทูเดย์เรดิโนะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับอยู่กับผมพรชัยจันทราสุปแสงบอกกระมิงประจำวันจันทร์ที่15บห้านะฮะกรกฎาคม 2,562 นะครั บ, ก, ร ก, 62, รบก็เป็นวันก็แล้วเหมือนวันทำงานฝันหล่อนะไม่ใช่อยู่ฝันหล่อทำงานฝันหล่อเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะ หยุดพักกัน1วันสําหรับเอกชนและสําหรับราชการก็จะหยุด1 6บ7นะครพักกัน2วันเลยนะครับเข้าใจว่าหลายคนวันนี้ก็อาจจะโดดงานลาป่วยลากิจลาฝักร้อนกันไปนะครับ <S <S ก็ไม่เป็นไรนะจะลาหรือไม่ลาแต่ยังไงก็อยู่กับพี่เมี่ยงได้เช่นเคยนะครับส่วนใครที่ทํางานก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจถือว่าเราเป็นคนพิเศษนะครับที่ได้ทําสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นกันจะเริ่มกันที่เรื่องของ คำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะ ว, ว่าทำไมนักการตลาดถึงไม่ค่อยอยากคุยกับลูกค้าเองนะครับเป็นคำบ่นหนึ่งจากผู้บริหารท่านหนึ่งที่ชอบบ่นมาว่าทีมงานผมไม่ชอบคุยกับลูกค้าเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งเรื่องนี้ชวนคิดนะชวนงุนิงเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าทีมการตลาดนั้นคิดแผนกันแบบคิดเองเออเองแล้วก็ยากจะไปดนใจกับลูกค้านะครับ จริงอยู่นะครับที่ว่าการเข้าใจลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคั ญ, ญยิ่งยวดสําหรับการตลาดเลยก็ว่าได้แต่เรากลับพบว่านักการตลาดจํานวนไม่น้อยหรืออาจจะมากเลยก็ได้นะฮะไม่ค่อยคุยกับลูกค้าหรือบางทีแทบจะไม่คุยเลยด้วยซ้ำไปหากมัวแต่มักจะหากแต่จะมักจะหวังให้ใช้แผนกเรซิ่ลหรือทีมงานสํารวจให้มาช่วยรวบรวมข้อมูลให้มากเสียกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับวันก่อนประชุมของห้องประชุมที่พี่หมิงก็มาถกเถียงกันอุย้ยต้องมีทีมเรซิ่ล คือเป็นไม่มีใครอยากมานั่งรวบรวมข้อมูลฟังอาจจะเหมือนเรื่องตลกแต่ผมมักจะถามบ่อยๆในใ น, ในคนใกล้ตัวว่าใครได้คุยกับลูกค้าบ้างในช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาคำตอบคือแทบจะไม่เคยเลยที่จะมีคนยกมือเกินครึ่งห้องและส่วนใหญ่จะออกไปทางนิดเดียวหรือบางทีแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้าไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เลยเอามาเป็นมุมมองที่เราจะมาคุยกันในวันนี้สาหรับการตลาดดิจิตอลนะครับ หลายคนคิดว่าตัวเองคือลูกค้าหรือลูกค้าก็เหมือนชั้นนะฮะเคสนี้เหมือนเรียกว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนักกาตลาดส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยมักจะทึกทักเอาว่าลูกค้าก็เหมือนตัวเราเองฉะนั้นไม่ต้องไปถามอะไรมากหรอกเอาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดว่าเป็น consumer insight ได้เลยและไอพิธีนี้เองเนี่ครับที่ทำให้งานการตลาดหลายๆงานดูเหมือนจะออกมาแบบตอบโจทย์บรรดา marketing manager แต่กลับไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเสียเท่าไหร่นะ บางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจลูกค้าดีอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกแบบนะฮะที่คนทำการตลาดที่ทึกเอาว่าตัวเองทึกท่าเอาตัวเองว่าเป็นมีแม่นในเรื่องของ customer insight มากซึ่งบางทีก็มาจากการนั่งเทียนอ่า research report จนห้องขึ้นใจแล้วก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปคุยอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่นั้นมากพอสาหรับการทาตลาดแล้วอันนี้เป็นข้อที่2นมาฟังข้อที่3บ้างคือขี้เกียจอันนี้สั้นๆง่ายๆอันนี้ฟังดูจะแย่ แต่ก็มีส่วนเป็นจริงพอสมควรเพราะว่าการไปคุยกับลูกค้านั้นย่อมมาพร้อมกับ ก, บการใช้เวลาสี่เวลาต้องไปนั่งพูดคุยสอบถามซึ่งบางครั้งก็คิดว่าตัวเองทํางานเยอะแล้วมีภาระงานเยอะแล้วจะให้ทํางานเพิ่มก็ไม่ไหวเพราะมันไม่ค่อยมีเขาเรียกมันก็ไม่เคยมีการระบุเรื่องการพูดคุยลูกค้าอยู่ใน j o b บเดสคริปชันถูกไหมบางคนก็มีเหตุผลว่าไม่อยากคุยกับลูกค้าเพราะลูกค้าขี้บ่นเรื่องมากแน่นอนนะครับว่าการไปคุยกับลูกค้านั้นย่อมจะเสี่ยงกับการได้ยินเสียงวิจารณ์หรือฟิชแบก ฟิดแบคเชิงลบเช่นไม่ชอบสินค้าไม่พอใจเรื่องต่างๆซึ่งไอบ้บรรดาสิ่งบท น, นี่แหละครับเป็นสิ่งที่หลายายคนขยะก็มีขยากฝังเรื่องลบๆเนอะผลก็เลยทำให้คนจำนวนมากเลือกที่จะไม่คุยกับลูกค้าแต่รอไปอา่านรีเสิร์ชรีพอร์ตทีเดียวเพราะเห็นว่า PowerPoint เหมือนเห็นแค่ PowerPoint ก็ไม่ต้องเจอหน้าลูกค้าแล้วซึ่งนั่นแหละไม่แปลกเลยที่เรามักจะพบว่าข้อเส Insight จากคน แผนการตลาดที่รออ่านรีเ e ิร์ชนั้นมักจะตรงข้ามกับฝ่ายที่คุยกับลูกค้าอย่างคุ s เ o อร์เซอร์วิสหรือเซลล์นั่นเองนะครับที่วันนี้เราหยิบยกประเด็นนี้เล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องขำๆนะที่เรามักจะเชื่อการทำโพออนไลน์ว่าทำรีเซิร์ชออนไลน์เดี๋ยวนี้เวลาทำสัมมนาปุ๊บต้องมี QR Code คให้คนสเพื่อตอบคำถามผ่านตรงนี้ด้วยเหตุผลว่าไอ้คนไปทำไม่ต้องไปนั่งเกาะข้อมูลไม่ต้องเสียเวลาเกาะข้อมูลเพราะว่า เดี๋ยวเอาข้อมูลจากตรงนี้ดึงเข้า Excel แล้วก็คำนวณได้เลยซึ่งในความเป็นจริงพี่มิงก็พบว่าหลังจากการทำมาหลายหลายครั้งเราก็พบว่าสมมติมีกระดาษกับ QR code ์โค้ดมีครั้งทําแบบดีปรากฏว่ามีคนมาอบรมประมาณ180คนมีคนตอบในกระดาษประมาณ170กว่าคนมีอยู่ 3-5 คนมัน้งตอบผ่านระบบออนไลน์อ่ะอันนี้ยังไม่มีสูมพติฐานพี่มิงคิดว่าอาจจะเพราะมีกระดาษเขาก็เลยไม่ตอบครั้งต่อไปพี่มิงก็เลยทําแบบ QR Code เฉยๆไม่มีกระดาษปรากฏว่า มีคนมาฟังทั้งหมดร4 0กว่าท่าน40กว่าคนมีคนเกอกแบบสอบถามกลับมาที่2คนครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นตรงนี้กําลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยการใช้เทคโนโลยีมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเราได้จริงๆบางทีเราก็ต้องเข้าใจจริตของคุ s t o m e r i อินไซด์ บางทีความทันสมัยก็เท่านั้นแหละแต่สุดท้ายคนก็ไม่ได้อยากจะทันสมัยกับเรารวมถึงไอ้ข้อมูลที่เขาตอบมาจากบทเซอร์เวย์มันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเขาจะตอบจากความรู้สึกจริงๆนั่นเองครับพี่พิทพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 ส้นไั่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 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสครอซึ่งพี่มิงก็ไปเชิญนะเชิญคุณท็อฟฟี่เบรเชอร์ซึ่งเป็นนักเขียนนักคิดจาก The Standard นะฮะมามาเป็นวิทยากรให้หลายคนทําทคำาพี่พี่มิงไม่พูดเองคือพูดเองก็ได้นะแต่คิดว่าเรื่องนี้เราก็อยากฟังเรื่องคนอื่นด้วยไหนๆก็ไหนๆก็ถือโอกาสฟังไปด้วยนะครับวันนี้เลยมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคุณท็อฟฟี่เนี่ยเขาจะพูดถึง Story ่ e ทเลอร์ก็คือการเล่าเรื่องเพื่อที่ให้มันดูน่าสนใจขึ้น เขาบอกว่าหาเรื่องที่เล่ากับการหาวิธีเล่าเรื่องเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดในการแก้ปัญหาคอนเทนต์คือโจทย์ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับมีคนมาปรึกษาปรึกษาเรื่องของการทำคอนเทนต์เยอะไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ในส่วนของแอดหรือการทำคอนเทนต์หล่อเลี้ยงตัวผ่าน f เฟซบุ๊กเพจอินสต a แกรมเว็บไซต์หรือแม้แต่ IG ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรแน่นอนนะครับว่าคําตอบที่มามักจะแบบกว้างว่าต้องทำตามคอนเทนต์ผมต้องทําคอนเทนต์ยังไงอันนี้คือคําถามแบบกว้า ง, ลางและคําตอบที่มักจะตอบกลับไปหรือได้ยินกันก็นกคือ ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณไม่มีเรื่องที่จะเล่าหรือคุณมีปัญหาเรื่องเรื่องวิธีการเล่าเรื่องกันแน่คือไม่มีเรื่องหรือเล่าไม่เป็นต้องเลอย่างนี้มันฟังดูงงงเสียหน่อยนะฮะแต่เอาจริงๆแหละเรื่องนี้อธิบายด้วยพื้นฐานการทำคอนเทนต์กันพอสมควรเพราะว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีนั้นเกิดจากการผสมกันของการหาเรื่องที่มาสื่อสารกับการหาวิธีการสื่อสารสับหลับเรื่องนั้นๆก็คือต้องมีเรื่องก่อนแล้วก็ค่อยหาวิธีเล่าเรื่อง การหาเรื่องที่ใช่มาสื่อสารเนี่ยเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่พื้นฐานสุดๆเลยแต่เท่าที่คุยกันมาตลอดมักจะเป็นจุดที่ตกม้าตายกันเลยเพราะว่ากลายเป็นวัตธุร ก, กิจส่วนใหญ่มักไปเลือกเรื่องที่ไม่ใช่มักคุยเช่นบางครั้งก็เอาเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการของลูกค้ามาสื่อสารมาพูดมานำเสนอซึ่งแน่นอนว่าทําให้กลุ่มเป้าหมายปฏิเสธและเลื่อนข้ามกันอย่างรวดเร็วในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็คือกลัวว่าคนจะไม่สนใจก็เลยไปเอาเรื่องที่คนน่าจะชอบ เลือแล้วเขาบอกพูดกันเยอะๆจนไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาเชื่อมโยงแล้วมันก็เชื่อมกันไม่ได้สุดท้ายนะฮะเอาจริงๆถ้าถามกันนะฮะเรื่องของการทําหรือการหาเรื่องที่ใช่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดเยอะคิดถึงลูกค้าเข้าใจลูกค้ามากๆเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ดูสินค้าตัวเองว่าควรจะนําเสนออะไรที่ตรงจุดกับความต้องการของลูกค้าซึ่งการคิดตรงนี้เนี่ย อาจจะเหนื่อยพอสมควรและทำให้คนไปโฟกัสกับเรื่องของการเล่าเรื่องมากกว่ า, หม า, วาม ห, หมายความว่าไม่สนใจคอนเทนต์ฮะยังไม่ได้คิดถึงแกนคอนเทนต์แต่ไปคิดว่าจะเล่าอย่างไรสุดท้ายมันก็แป็กอยู่ดีการหาวิธีเล่าที่ใช่มาใช้สื่อสารเนี่ยเป็นอีกแกนหนึ่ง ก็เป็นฝั่งที่เรียกว่าฝั่งเทคนิคหลังจากที่เรามีคอนเทนต์แล้วถ้ายังไม่มีอย่าพิ่งมาเรื่องนี้แต่ถ้ามีแล้วค่อยมาสนใจเรื่องนี้เช่นว่าการจะนําเสนอในรูปแบบไหนจะเป็นภาพเป็นอัลบั้มเป็นวิดีโอซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นการเอาเรื่องที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทําให้น่าสนใจให้ดูน่าติดตามชวนให้มองซึ่งนั่นก็เลยไม่แปลกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งเรื่องของการดีไซน์และฝั่งของความคิดสร้างสารรค์นั่นเองหรือบางคนเรียกว่าแคริชิตนั่นเองนะฮะก็ ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันมันต้องคิดเยอะนะฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่สุดท้ายปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเรื่องอะไรมาเล่ามากกว่าเพราะถึงแม้ว่าเรื่องที่คุณเล่าเนี่ยมันไม่มีพิธีเล่าที่น่าสนใจแต่ถ้าคอนเทนต์มนดิ่งจริงมันก็ชนะทุกอย่างครับศูนย์นวัตรกรรมความรู้ rmutt innovation and knowledge center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรี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 เธอชิดไกลแต่เธอคงไม่ แต่ความคืนขมกระทอ่อมเมื่อลมพายุหอบฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดๆปล่อยฉันไว้กลาง สองเบรกที่แล้วนี่เล่ากันแบบเรื่องหนักหนักนิดหนึ่งสำหรับการทำคอนเทนต์นะฮะตอนนี้พี่มิงอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาอัปเดตบ้างกับแอป Google Translate ในมือถือสามารถใช้กล้องแปลเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับเร็วๆนี้ Google Translate สามารถใช้ฟ u t เจอร์ Instant Camera หรือกล้องแปลภาษาทันใจโดยเพิ่มภาษาเข้ามาม า, มากขึ้นกว่า100ภาษาแล้วและหนึ่งในภาษาที่เพิ่มเข้ามาก็มีภาษาไทยด้วยนะครับโดยฟิเจอร์นี้นะครับมีสำหรับ ใช้สำหรับแก้ปัญหาการแปลข้อความสั้นๆเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องแปลป้ายบอกทางเมนูอาหารโดยสามารถแปลได้แบบเร a l t i m มกับข้อความสั้นๆหรือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องนั่งพิมพ์เองแต่ถ่ายรูปแล้วก็แปลนะแล้วก็สามารถแปลประโยคยาวที่ด้วยได้บ้างนะเพียงถ่ายรูปแล้วก็ใช้นิ้ ไฮไลท์ light, ข้อความที่อยากแปลแอ ป, ปก็จะช่วยแปลให้ทันทีนะครับการใช้งานก็แค่เปิดแอ ป, ป Google Translate ในแอ ป, ปจะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานทั้งการใช้กล้องสแกนการแปลโดยการใส่เท็กเข้าไปรวมทั้งการใช้เสียงนะแล้วก็เมื่อกดเข้าไปใช้งานในรูปแบบกล้องและส่องไปยังเท็กมันก็จะแปลแบบ Real Time นะฮะอันนี้เรียกว่ารีวิวกันดิบๆก็ได้นะลองดูก็ได้นะหรือถ้าอยากแปลประโยคยาวๆ ก, ก็กดไปที่เครื่องหมายสแกนและใช้นิ้วจิ้มไฮไลท์ว่าอยากจะแปลตรงไหนบ้างมันก็จะแปลให้ทันทีนะครับถือว่าเป็นความสะดวกสบายสะดวกจริงๆแต่เรื่องความถูกต้องนี่ยังต้องยอมยอมรับ ว, ว่าอาจจะยังห่างชั้นแต่เข้าใจว่าอีกสักระยะหนึ่งมันก็น่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นจริงๆเรื่องของการแปลภาษาเนี่ยนึกถึง ดอรี่อรมอนทุกทีเลยนะสมัยก่อนดูโดร์ไลมอนเนี่ยมันจะมีอะไรวุ้นแปลภาษาขนมปังแปลภาษาจําได้วุ้นแปลสภาษาที่ชอบมาคือด้วยความที่เราเนี่ยก็เป็นคนที่อ่อนด้อยในออนดอยก็เรี่าอ่อนดอยในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติพอเราเห็นมันมีเทคโนโลยีนี้หรือว่ามีเครื่องของพิเศษแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออจะมีหรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะครับผ่านมา 20-30 ปีมนุษย์เราก็สามารถที่จะสร้างเ ท, โเเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงนะครับ พี่มิงเคยพูดถึงเรื่องของของวิเศษของโดราเอมอนที่สามารถมาใช้งานได้จริงในในโลกยุคนี้ซึ่งหลายๆตัวปัจจุบันเราก็ยังใช้กันแบบไม่รู้สึกว่ามาเป็นสิ่งที่แปลกนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าโลกนี้มันมีสองมุมแต่มุมของความดีของเทคโนโลยีน่าจะมีประโยชน์หรือมีมากกว่า ผลลายที่เกิดขึ้นในเรื่องตนี้ก็จริงๆก็อยู่ที่ตัวเราเลยครับว่าเราจะเลือกใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันดีมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งคอมมัดครั้งที่ผ่านมาก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ประเภทอย่างเงี้ยออกมาให้เราเห็นเยอะนะฮะ ปัจจุบันราคาก็ไม่ค่อยแพงเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ได้มากทีเดียวนะครับส่วนคำถามหรือถามกันมาเยอะว่าแล้วคอมมานดอีกครั้งนึงจะมีเมื่อไหร่ก็จะมีช่วงวันที่19จนถึง19 20 21 22 19ส่าถึง่ธันวาคมปีนี้นะฮะเจอที่เดิมที่ไบเทคบางนาะส่วนปลายปีนี้จะมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ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 02 549 3043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th เคยตั้งใจสักนิดว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนพิเศษไม่เคยจะรู้สาเหตุแต่ที่รู้มันมีอาการแปลกไปเฝ้าคิดถึงเสียวเธอเฝ้าคิดถึงสายตาคิดถึงช่วงเวลาที่เราไกลกันเหมือนอยู่กลางสายลมเหมือนอยู่ในความฝันเหมือนควบ อยากเลืเกเธอถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ เปนสนิทคุณนเคยควรจะคิดเอามาเป็นแฟนดีไหมเฝ้าคิดถึงเสียนเธอเฝ้าคิดถึงสายตาคิดถึงชุกเวลาที่เราใกล้กันเหมือนอยู่กลาง้ายลมมือน รายการคอมทูเดย์านานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 เมกะมาที่ข่าวของจอไอโฟนเครื่องแรกนะครับเขาบอกว่าเคยเป็นพลาสติกแต่เปลี่ยนเป็นกระจกก่อนขายจริง11วันย้อนกลับไปเมื่อปีสอ0พนะครับ น, นิ้วถูกผลิตขึ้นครั้งแรก ด้วยขนาดเครื่องที่เลียวเล็กและมีความสามารถมากกว่าโทรศัพท์อื่นๆในช่วงเวลานั้นแต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในวันเปิดตัวเมื่อเครื่องที่ถูกเปิดตัวนั้นเป็นจอแบบพลาสติกแต่วันขายจริงกลับพบว่าเครื่องที่ขายจริงนั้นเป็นหน้าจอกระจกทั้งหมดเหตุใด Apple จึงเปลี่ยนสเปคของหน้าจอใน11วันก่อนขายและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเรามาหาคำตอบกันในวันนี้นะครับเขาบอกว่า เรื่องนี้ถูกเล่าโดยเจฟฟวิลเลียมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Apple ซึ่งจะรับผิดชอบการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เขาบอกว่าในวันเปิดตัว iPhone 3.5 ก่อนที่สตีฟจะขึ้นพรีเซนต์จ็อบบ่นกับวิลเลียมเกี่ยวกับรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของ iPhone หลังจากที่ถือมันไว้ในกระเป๋าจากนั้นจ็อบก็พูดกับวิลเลียมว่าเราต้องการแก้วแต่วิลเลียมประท้วงว่าเราไปหากระจกที่ไหนมาเปลี่ยนแบบแทนเพราะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้น และกระจกที่นำมาเป็นหน้าจอมือถือได้จำเป็นต้องใช้เวลาอีก 3-4 ปีถึงจะทำให้มันสมบูรณ์แบบได้แต่สตีฟจ็อบไม่สนและพูดกับวิลเลียมว่าผมไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงแต่ iPhone ที่จะเปิดขายในเดือนมิถุนายนหน้าจอจะต้องเป็นแก้วเท่านั้นเอาละครับทำยังไง2วันต่อมานะครับวิลเลียมได้รับโทรศัพท์จากเวเตอร์วิกซึ่งเป็น c ีของบริษัท o อ n i n g บริษัทผลิตหน้าจอมือถือรายใหญ่ของอเมริกา โทรมาบอกเขาว่าบอสของคุณก็คือสตีฟจ็อบส์เนี่ยโทรสายตรงมาหาเขาแล้วบอกว่าวัสดุที่ใช้ทำหน้าจอของคุณมันห่วยและนั่นทำให้พวกเขาคิดค้นหาหน้าจอรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยใช้วัสดุจากกระจกโดยทีมงานจาก Corning นะและ Apple ทํทำการหามร่วมกันหามรุ่งหามค่ำจนออกมาเป็นจอเ e เนอเรชันแรกที่ชื่อว่า Gorilla Glass และนั่นทำให้วันที่วางขาย iPhone ตัวแรก 3.5 นิ้วครั้งแรกเนี่ย ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จํานวนมากและนี่คือเรื่องรล่าดีๆของผู้ชายคนหนึ่งที่จะคิดจะเปลี่ยนโลกให้ได้ภายใน11วันนะครับก็ก็แปลกดีนะฮะพอมาฟังอย่างนี้นะฮะก่อนหน้านี้พี่มิงก็เคยมีความคิดว่าเวลาเราเจอปัญหาหรือเราเจอสิ่งใดๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันแย่มันลําบากแต่เวลาผ่านไปมันก็สอนให้รู้ว่าบนบนปัญหาและววิกฤตที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ทุกโยนลงมาแบบไม่ตั้งใจแบบนี้ ถ้าเราค่อยๆคิดและตั้งสติกับมันอย่างหนึ่งที่มันจะได้กลับมาคือเราจะหาคําตอบทางออกที่ดีได้ถึงแม้มันอาจจะต้องใช้เวลาและพลังงานเยอะแค่ไหนก็ตามแต่เชื่อเถอะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนวิกฤตเหล่านี้มันจะกลายเป็นวิกเขาเรียก ว, ว่าเป็นนวัตกรรมพลิกชีวิตของเราเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับหลายคนที่เจอปัญหากันเยอะๆในช่วงนี้ครับ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 ที่ทนเจ็บฉันคือ ท้ายนะครับกับข่าวของ Brother เปิดตัวเครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นใหม่ P-touch q รุ่นล่าสุด PTP 710BT อันนี้หนุนธุรกิจ SME และผู้ที่ชื่นชอบงาน DIY พร้อมเติมเต็มความต้องการกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้เป็นคำถแถลงข่าวถแถลงการจากบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดร่วมกันเปิดตัวเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch q นะรุ่นล่าสุด PT ขีด P710BT คู่ไอเทมสำหรับ SME ที่มาพร้อมดีไซน์มินิมอล ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกพิมพ์ง่ายแค่เชื่อมต่อระบบบลูทูธผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์นะฮะเขาถือว่าเป็นคู่หูด้านดีไซน์ของผู้ประกอบการที่ช่วยเพิ่มอิสรยภาพอิสระภาพไปอิสรยภาพอิสระภาพ <c oughs> การออกแบบฉลากให้สวยงามและง่ายยิ่งขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งวิงผลิตภัณฑ์คุณภาพของบรา t h เตอร์ที่ช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับและภายใต้กลยุทธ์ 3-4 ในส่วนของคอส คอสตูเมอร์หรือลูกค้าที่บรอเดอร์ให้ความสําคัญในเป็นอันดับหนึ่งตามปรัชญาการนธุรกิจ a แอดจัวไซจึงเลือกผลิตเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณภาพและความหลากหลายเตรียมด้วยศักยภาพในการตอบโจทย์ทุกลายสไตล์ในราคาที่สมเหตุสมผลและการบริการหลังการขายด้วยศูนย์บริการคุณภาพที่พร้อมให้บริการมากกว่า100สาขาทั่วประเทศนะครับเขาบอกว่าตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ เป็นข่าวดีๆที่ b ร o t เด r คือเพิ่งเปิดตัวจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสพี่มิงมีโอกาสได้ทดเเรียกว่ารีวิวโปรดักตตัวนี้เหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่เป็นดัวลไอมอนฮะถ้าจำกันไม่ผิดเมื่อเบรกที่แล้วเพิ่งพูดเลยซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็น อีกหนึ่งเทคโนโลยีนะที่โดลไลมอนเคยทำไว้เมื่อสมัยก่อนและปัจจุบันก็ทำได้ก็คือพวกสติกเกอร์ที่แปะที่ไหนปุ๊บแล้วมันดูมีว a ลลุขึ้นมาตอนนั้นก็คืออะไรนะเป็นสติกเกอร์แปะของพรีเมียมแปะอะไรปุ๊บจากของกระจกกระจกกลายเป็นของดีขึ้นมาเลยซึ่งไอ้พวก label หรือ s t i c เก r เหล่านี้เนี่ยถ้าเราดีไซน์ดีๆแปะดีๆพอเอาไปวางหรือไปประกอบกับ พวกวัสดุหรือของที่เราใช้เนี่ยจะช่วยทำให้สินค้าดูดีมากขึ้นนะฮะไม่เชื่อลองดูญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อของเรื่องของการทำแพ็คเกจจริงเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่แพ็คเกจรวมถึงสติกเกอร์ที่แปะแต่ละอันเลยนะฮะมันจะเห็นว่ามันจะดูน่ารักขิุู้่อนเนะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ อ่ะวันนี้ฟังกันมาห้าเบรกห้าเรื่องห้าสิ่งที่น่าสนใจเวลาของวันนี้ก็หมดลงแล้วพรุ่งนี้มาเจอกับพี่มิ้งใหม่ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้นะครับมาพร้อมสาระดีๆและอย่าลืมว่าแอเป็นเพื่อนกันผ่านไลน์ มิงคัมท t o d a y หรือจะไป Search m i n ค c o m ูเดย์มิ K ้งค์คอมทูเดผ่าน Facebook แล้วเป็นเพื่อนกันได้นะครับพี่มิงจะมีเรื่องเล่าดีๆที่ให้กำลังใจคนมาฝากกันอยู่ตลอดช่วงเวลาเลยนะครับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ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 และเหมือนนาทีนั้นจะยาวนานรักของเรายัางใหม่ยังไม่เกา่าเลยเหมือนวันเดิมที่เคยทำอย่างนี้แม้ว่าเราจับมือกันครั้งใด <_ S 1> ก็สุขใจทุกที <_ S 1> ไม่เคยจะมีสักทีที่เสื่อมคลายจะนานเพียงไหน <_ S 1> จะพ้นไปกี่ปี <_ S 2> ขอได้อยู่ ใ, ใกล้ๆกัน ใกล้ใกล้กันเก็ยังคงรู้สึก